พึงพากันตั้งใจให้ดีฝึกใจของตนให้มันแน่วแน่ใจไม่แน่วแน่นี้แหละมันริงพลทุกไปไม่ได้ใจวอกแวกหันไหวไปตามกิเลสตัณหายอมเป็นทาสของตัณหา เพราะฉะนั้นจึงทนทุกข์ไปไม่ได้เรามาเป็นทาตพระพุทธเจ้าเป็นาธาตพระธรรมเป็นทาตพระสงฆ์ดีกว่าที่จะไปเป็นขีทาตของ ข, องของีเลสตัณหาแลาเป็นทาตพระพุทธเจ้านก็หมายควาว่ายอมรับปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ พระองค์บัญญัติท่าว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําก็ไม่ทําไม่พูดเว้นตามทรงอนุญาตไวยว่าสิ่งนี้ควรทําควรพูดก็พยายามทําพยายามพูดในสิ่งที่ทรงพระอนุญาตนั้นโดยเคร่งครัดอย่างนี้จึงนี้ว่าเป็นทาสพระพุทธเจ้า เป็นท่าแทงทธา ร, รมก็สร้างใจปฏิบัติไปจนมันเกิดผลขึ้นในใจน่และเอาพระธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ไม่ยอมอยู่กับกิเลสยอมอยู่กับพระธรรมการที่บุคคลจะมีธรรมอยู่ในใจได้ ก็เพราะอาศัยเรียนรู้ก็เราไม่สามารถที่จะรู้เองเห็นเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้เราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสาวกของพระองค์ดังนั้นเนี่ยจึงต้องเรียนท่องจำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เขามาไว้ในใจของตน แล้ลงมือปฏิบัติปรับปรุงขิดของตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นท่าแห่งพระธรรมเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์ไม่ร่วงเกินพระสงฆ์เราได้เป็นใหญ่เป็นประธานเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้น ในอภริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้คราวนี้ผู้ไม่รู้กล้องขวางออกไปก็เลยไปถือเอาว่าถ้าไม่ใช่พระเถระผู้เป็นใหญ่เป็นประธานเลยไม่เคารพใครแบบนี้นะใครจะบอกจะสอนจะเตือนก็ไม่เอาด้วยนั่นมันเข้าใจไม่รบครอบ หนนะมายความว่าในเมื่อเราอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะพระองค์ใดเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในหมู่นั้นนะในขณะนั้นนะหมายความว่านั่งห น, งหน้าหมู่นั้นนะเว้ยต้องเคารพนับถือ เพื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั่นไม่ได้หมายเอาว่าต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัตคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วจึงจะยอมทำตามจึงจะยอมเคารพนับถือกราบไหว้แต่อย่างนี้นะมันไม่ถูก การเข้าใจไปอย่างนั้นไม่ถูกแน่นอนทีเดียว<ม>การแต่งตั้งเพื่อนจึงมีรองเจ้าอาวาสไว้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆเพื่อนมีอย่างนั้นนะนเมื่อเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสไม่ได้หรือไม่อยู่ไปธุระอะไรที่ไหนรองเจ้าอาวาสก็ต้องทําหน้าที่แทนผู้ที่อยู่ก็ต้องเคารพรองเจ้าอาวาสไม่ร่วงเกินคําสั่งคําแนะนําตักเตือนของท่านห ร, หรือรองเจ้าอาวาสไม่อยู่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อยู่หมายว่าพระองค์ที่สามนั่นแหละถึงจะไม่ได้รับแต่งตั้งก็เรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่โดยตำแหนง่งมีหน้าที่อยู่แล้วเพราะว่ามันลำดับกันเราผู้ปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องให้ไปได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายโน้นฝ่าย น, น, ายนี้มาแล้วจึงจะยอมเคารพรับถือกันแต อ, อย่างนั้นเลยชื่อว่ามันเป็นดนเพียงถือเอาตามสมมุติของโลกเฉยๆไม่ได้เอาทมเป็นใหญ่เอาทมเป็นใหญ่นี่ก็ไม้เอาท่านผู้ใดเป็นผู้ อาบุโศกวัวตนและตนเคารพทั้งนั้นเลยไม่ร่วงเกินในอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่ผู้ใดที่ท่านบวชก่อนตนชื่อว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิกลัวตนท่านได้ทาความดีมามากกวัวตนได้ละเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมมาก่อนตนมาเนี่ย เมื่อตอนพีนาเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็อ่อนน้อมลงเคารพนับถือได้จะทาพีนาเห็นไปอีกแบบหนึง่งมันก็ขาดความเคารนนพพีนาไปว่าเพื่ อ, อ, อนนี่บวชยังไม่นานเท่าไรหรอกอย่างนี้คงคุณรุธิคงจำไม่มากเท่าไรหรอกเกิด ค, ความรู้สึกขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้ว มันก็ขาดความเคารพนับถือแล้วไม่ควรที่จะไปวิศวคุยจาร์อย่างนั้นเราต้องสังเกตการกันดูถ้าเราไม่เลื่อมใสปฏิปทาของเพื่อนผู้บวชมาอยู่ก่อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชแต่ต้องเตือนตนอย่างนั้นเพราะตนเลื่อมใสแล้ว ขันผู้บวชอยู่ในวัดวาศาสานานี่เป็นผู้มีศิลนอันดีงามมีข้อวัดอันดีงามตนจึงได้เลื่อมใสนับถือยอมสละกิจบ้านการเรือนมาบวชในสถานที่แห่งนี้กระท o n เตือนตนอย่างนั้นมันจึงค่อยรู้สึกตัวได้คนเรานะไม่อย่างนั้นมันลืมนี่ลืมเบื้องหลังลืม เจตนาที่ตั้งใจแต่ก่อนบวชเข้ามาวัดแล้วเย็นใจเห็นพระเห็นเนท่านปฏิบัติ ด, ดีตั้งอยู่ในความสงบหน้าเรื่อมใสอะไรโม น, นี่นะถึงได้มาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าเพศเสมอกันแล้ว อย่างนี้ไม่ถูกต้องถึงเพศเหมือนกันก็จริงแต่คุณสมบัติคงไม่เหมือนกันแน่นอนอเราต้องนับถือคุณสมบัตินุม่มเพื่อนผู้บวชมาทนทานมาได้แสดงว่าเพื่อนเอาชนะกิเลสตัณหามาได้จึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์ติด ต, ต่อกันมาได้นั้น ถ้าเอาชนะกิเลสตัณหาหยาบๆยาบบางอย่างไม่ได้ก็จะบวชอยู่นานไม่ได้เลยนี่มแม้ตลอดถึงทา ย, ยกทายิกาก็เหมือนกันนะบางคนเบื้องต้นก็นับถือพระไม่ ไม่ว่าไม่ลำเอียง น, น้นน้นนี่นีนับถือสม่ำเสมอกันไปขันอยู่ไปอยู่มาคุกคีกับพระมากเข้าก็ไปเห็นความไม่ดีของพระบางสิ่งบางอย่างเข้าไปอา้าเกิดรังเกียจพระขึ้นมาแล้วเนื่อใจของอุตชนมันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละ เมื่อเกิดรังเกียตขึ้นมาแล้วก็หาทางรวนกันเลยฮะนี้หาทางขาดขวางหาทางกระทบกระทั่งทำให้วุ่นวายขึ้นอันนั้นก็ไม่ถูกต้องผู้เป็นทา ย, ยกทา ย, ยิกาก็ดีเมื่อไปเห็นพราเห็นเลนทำไม่ดีอย่างไรก็ต้องไป บอกครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระเนนนั้นให้รู้ครูบาอาจารย์จะได้ตักเตือนสั่งสอนอีกทีหนึ่งเรื่องแก้ไขได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่พระเหมือนกันพระจะต้องว่ากันไปจะต้องสอนกัน ดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ที่ผู้หัวหน้าจะพึ่งวินิจฉัยให้ผู้เป็นทา ย, ยกทธา ย, ยุกาไม่ควรจะสอดแทรกเข้ามาให้ทำหน้าที่ของใครของเราอย่างนั้นมันจึงจะไม่วุ่นวาย ความวุ่นวายจึงไม่เกิดขึ้นในวัดลาอารามก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน อ, อย่าไปก้าวไก่หน้าที่ของผู้อื่น อ, อันเรื่องก้าวไก่หน้าที่นี่มันสำคัญไม่น้อยเหมือนกันแหละให้พากันใส่ใจผู้ใดก็ช่างบางคนชอบมองเหล่าผู้อื่น เห็นเขาทำอะไรไม่ถูกต้องอมักอยากจะไปสอนอยากจะไปว่าแล้วที่ไม่คำดูตัวเองตัวเองนี่ถูกแล้วหรือรอบครอบทุกอย่างแล้วหรือตนเองตั้งอยู่ในฐานะเช่นใดควรจะสอนเขาได้หรือไม่มันไม่อ่านดูตัวเองเลยมันเป็นอย่างนั้น ได้เหตุที่มันจะวุ่นวายอันหนึ่งนะตนไม่ไม่ไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะที่จะไปสอนผู้อื่นก็ไปลิสอนผู้อื่นอย่างงี้แล้วเขาก็ไม่เอาตามเพราะเขาไม่ได้ยินยอมให้ตนสอนอันนี้มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้พิจารณาดูตัวเอง ตัวเองนั่นตั้งอยู่ในฐานะเช่นใดก็ประพฤตินตนไปตามฐานะตามภาวะของตนนั่นแหละจึงค่อยดี้าว่าผู้ใดมีนิสัยชอบอยากจะปกครองผู้อื่นอย่างนี้นยะมีโยนิสัยมันติดมาเพราะมันเคยทำมาแต่ชาติก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นเน่ย เวลาที่คุณนภุทิยังไม่เจริญ ง, งอกงามขึ้นนี่เราต้องศึกษาเราเรียนต้องฝึกตนซะก่อนเรียนวิชาความรู้ต่างๆให้มันกว้างขวางให้มันรู้รอบครอบในเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งของตนเองและผู้อื่น ข้อสำคัญก็พยายามแก้ไขตัวเองนี่แหละให้มันดีเมื่อกแก้ไขตัวเองให้ดีได้ตนเองมั่นคงพอสมควรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละจึงเหมาะสมที่จะบริหารปกครองผู้อื่นได้เหมาะสมที่จะถ่ายทอดความรู้ความสราดให้แก่ผู้อื่นได้ ทำห้เช่นนั้นแล้วมันก็จะต้องได้รับความมัวหมองอ ะ, ะเขาว่าเมื่อตอนไม่เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ไปดำเนินงานอย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อไม่สำเร็จประโยชน์แล้วตนเองก็เดือดร้อน ก, ก็ว่าทำอะไรก็มุ่งหวังอยากให้ผลให้มันได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท่านเมื่อมันไม่ได้ผลได้ไม่เท่หน่วยแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนวิถกวิจารมันเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีคุณุธิยังไม่พร้อมในหน้าที่การงานนั้นๆฝืนไปทำนะมันก็มีแต่ความเดือดร้อนสรุปแล้วให้เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่พอใจอยากเป็นนักบริหารอย่างนี้ เอาตั้งใจศึกษาเราเรียนเข้าไปแล้วก็ปฏิบัติตนให้ดีให้เป็นตัวอย่างของผู้อื่นให้ได้เข่นขยันขันแข็งทำข้อวัดปฏิบัติทมความดีต่างๆโมนี่นะทั้งพระภิกษุสา ม, มเณรทั้งทายกทา ย, ยิกาเหมือนกันแหละเท่าที่สังเกตเห็นมาแล้วทายกทา ย, ยิกาก็ดี ถ้าผู้ใดเอาใจใส่กับวว่าอารามมากกว่าคนอื่นอรับใช้พระเจ้าพระสงฆ์มากกว่าคนอื่นขยันในการงานเกี่ยวกับวว่าอารามอย่างนี้เนะี่ยคนนั่งหลายก็ย่อมยกยอขึ้นให้เป็นมคคายกนั่นเน่ยเรียกว่าเป็นมคคายกโดยคุณธรรม โดยความดีความชอบที่พวกนั้นบำเพ็ญมามแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันบวชอยู่ไปนานไปปฏิบัติไปเคารพธรรมวินัยไปศึกษาเราเรียนไปมีความรู้ความฉลาดทำหน้าที่การงานให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างๆไป ได้อย่างนี้ทางคณนะสงฆ์ก็เห็นดียกขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหมู่คณะไปหรือว่าแต่งตั้งให้จะเป็นเจ้าอาวาสไปอันนูนนี่มันเป็นไปด้วยคุณสมบัติคุณความดีทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมด แต่งตั้งกันขึ้นเป็นไปเลยอย่างนั้นไม่ไม่ได้ไม่เหมือนอย่างทางโลกเขาทางโลกนี่ก็อย่างว่านี่ถ้าใครมีเงินมากก็มีอำนาจมากเอาเงินซื้อเอาอำนาจได้อยู่ทุกวันนี้ ถ้าใครไม่มีเงินแล้วเขาไม่ค่อยมีอำนาจถึงจะมีคุณรู้ที่สูงอย่างไรก็ไม่มีใครยกยอกขึ้น <c oughs> อันนั้นเรื่องของโลกนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาคนยังมีกิเลสอยู่แต่เราจะไปเดินตามโลกนั้นไม่ได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เราต้องถือธรรมเบนใหญ่ ธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้กับพฤฒไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเอเราถือธรรมอย่างว่านี่เป็นใหญ่กว่านีนน้พระธรรมหมายถึงทำความดีหมายหมายไม่ได้หมายเอาธรรมที่ชั่วคําว่าพระธรรมในที่นี้นะพระแปลว่าประเสรศิฐ น, นั่นี้ หมายเอาทามันประเสริฐนั่นเองผู้ปฏิบัติศีลอย่างนี้นะทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้อ่าอย่างนี้ธรรมดาคนมีศีล น, นี่จะเป็นผู้สำรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาทำอะไรพูดอะไรย่อมระมัดระวังไม่ให้มันกระทบกระทั่งผู้อื่นมไม่ให้มัน ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการกระทำคำที่พูดนี่กล่าวโดยสรุปคำว่าเป็นผู้มีสินนั่นน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าแต่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ต้องสำรวมมดเลยเป็นอย่างนั้น นอกจากนั่นแล้วเรามาฝึ ก, กจิตใจนี่ไม่ให้พุ่งสร้างเลื่อน้อยบุคคลใดมีใจหนักแน่นมีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรีว่าตั้งมั่นอยู่ในกูสอนธรรมมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือ ของทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาทั้งหลายนี่บุคคลเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมเปอย่างนั้นถ้ายิ่งได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นในใจนั่นเกิดจากสมาธินั่น มองเห็นบุญเน้นบาปเป็นคุณเน้นโทษโ ด, โดยแจ้มแจ้งตลอดถึงมองเห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามสภาพความเป็นจริงผู้เจริญปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ชำระกายวาจาใจของตนให้ หมดจดจากเครื่องเศร้ามองใจมีโลภโกรธหลงเป็นตน้นได้มากไปโดยลำดับ mm hmm. ผู้มีกิลอดทิเลดน้อยเบาบางออกไปจากกายวาจาใจได้เท่าไร mm hmm. ก็ยิ่งมีคนเคารพรับถือมากเท่านั้น mm hmm. นั่นหนหะ เพราะคนเราเนะี่ยมันชอบความดีเหมือนกันเนี่ยใครทำดีเข้าไปมันก็คนทัอื่นทั้งหลายเขาก็ต้องเห็นดีในเมื่อเขาทำอย่างผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นทำได้ น, น่าอัศจรรย์ก็เรื่มใสมยกยอเคารพกราบไหว้บูชาก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เลย ไม่มีมนุษย์ใดในโลกที่จะไปค้นหาทางพระนิพพานได้ด้วยตนเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ค้นหาทางพระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองคนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทราบข่าวเข้าถึงอัศจรรย์ใจเรื่องใสนับถืออสักการะบูชายอมฟังคําสอนฟังแล้วก็น้อมเข้าไปปฏิบัติตาม ชนละอาสวะคีเดชขาดจากสันดานโดยเอกเทศบั่งโดยสิ้นเชิงบั่งดังที่เรารู้รู้กันมานั่นเละนี่แหละคนผู้มีบุญได้พบคนผู้มีบุญหลายอย่างนี้นะคนผู้มีบุญน้อยนี่จะต้องเลื่อมใสนับถือมันมันันกเป็นอย่างนี้มาจะไหนจะไรโลกอันนี้นะ แต่ว่าคนคนมีบาปมากนี่ไม่ชอบไม่ชอบกับคนผู้มีบุญมากอิจฉาอคนผู้มีบาปหนักบาปหนาสาหโหดอยู่ในใจไม่ยกย่องหรอกพอได้ทราบข่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนเคารพนับถือมากนี่ในใจนึกอิจฉาแล้วอไม่พอใจแล้วนี่คนบาปหนาสาหโหดเป็นอย่างนั้น มันเป็นธรรมดาอย่างนี้ม า, าแต่ไหนแต่ไรโลกสันนิวตัตอันนี้นะคนผู้มีใจบาปนะคิดอิจฉาตาร้อนท่านผู้มีบุญมากมีคุณธรรมมันสูงส่งท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ากิเลสชนิดนั้นท่านละแล้วอันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธบกความทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนั้นนะนะ ก่เลอย่างนั้นท่านละขาดหมดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้วอนไหวกับคํามระทะนินทาของคนในโลกนี้เพวกเราเป็นสาวกของพระ อ, องค์ก็พึ่งพากันถือเอาแนวทางอันนั้นเป็นเครื่องดำเนิน <c oughs> ไม่เช่นนั้นเราก็้นทุกข์ไปไม่ได้ นี่แหละการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ละอาสวะคีเลสให้หมดสิ้นไปจริงๆเราจึงได้เรื่อมใสนับถือบางคนก็มีศรัทธาแรงกล้าจนถึงสละบ้านเรือนมาบวชปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์ ในพุทธศาสตร์สนานี้ยอมปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถผู้ที่บวชไม่ได้ก็ปฏิญญาณจนเป็นอุบาสุวาสิกายอมรับเอาพระคุณทั้งสามนี้ไว้เหนือศีลเกลา้าไว้เป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการ บ, บูชายอมทำตามคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถนี่นะการที่คนเราจะละชั่วทำดีได้นี่นะก็เพราะว่าเราเรื่อมใสท่านผู้ละความชั่วทำความดีมา ก, ก่อนนั่นแล้วเป็นตัวอย่างเห็นว่าท่านผู้ช น, นั้นมีความสุขมากตนก็อยากมีความสุขอันเป็นแก่นสารผู้หนึ่งเหตุนั้นถึงว่ายอม รับนับถือและปฏิบัติตามไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลําบากแต่ประการใดโดยมาพิจารณาเห็นว่าการที่เป็นทุกข์เพราะการปฏิบัติทรมานตนตามศีลสมาธิปัญญานี่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งกับทุกข์ในนรกเราบรรึกเปรียบเทียบกันอย่างนี้มันจึงไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่เพราะว่าผู้ทําบาปทาควมชั่วแล้วตายแล้วไปตกนรกอันนั้นมันทุกทนทรมานเหลือเกินทุกอยู่นานซะด้วยนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แหละก็จึงไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรมเมื่จะทุกข์ยากลำบากอย่างไร เมื่อนึกเทียบกับนรกแล้วทุกจากการปฏิบัติธรรมนี้น้อยนิดเดียวหนึ่งเพราะนั้นจึงไม่ย่ท้อไม่หวั่นไหวต่อการปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมอย่างใดทำอย่างนั้นก็ย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ต่ำ เช่นพ่อให้ทานอย่างนี้นะคุณแห่งทานก็รักษาจิตของผู้นั้นให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ให้ไปคิดโลภเล้งเพ่งเลงยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตนั่นแหละคุณแห่งทานนะรักษาจิตของผู้นั้นไว้ ไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นคนขี้โลกหมายเขาว่าอย่างนั้นเลยคุณแห่งศีลศีล น, นี่ก็เป็นธรรมมาหนึ่งเหมือนกันหลยก็นะคุณแห่งศีลก็รักษาดวงจิตของพวกนั้นไว้มไม่ให้สั่งสมความโกรธไว้ในใจไม่ผูกโกรธไว้ในใจถ้าไปสั่งสมความโกรธไว้อย่างนั้น เดี๋ยวก็สินขาดสินเศร้ามองไปไม่ขาดก็เศร้ามองจะเริญรุ่งเรืองไปไม่ได้รู้ได้อย่างนี้นละก็จึงเป็นผู้ที่มั่นในสินแล้วกิเลสคือความโกรธความมบาฉาต่างๆมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่าคุณแห่งสินนั่น รักษาดวงกิจนั้นไว้ไม่ให้ตกเป็นา่าตแห่งความโกรธความมิยบาทังๆหรือคุณแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมนั่นแหละที่บุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปอันนี้นะการรักษาดวงกิจของพวกนั้นให้เยือกเย็นสบายให้มีความปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอไป ไม่ไม่ปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นทุกข์หรือร้อนแต่อย่างใดภายในจิตใจนั่นนี่แหละคุณแห่งพระธรรมเหล่านี้รักษาจิตของบุคคลไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสแห่งความโกรธความมายาบาตคุณแห่งภาวนาก็รักษาดวงจิตที่ไม่ให้เป็นคนหลงคนเมา คือไม่ให้ดวงขีดนี่หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆเส้นสังขารร่างกายอันนี้มันไม่สวยไม่งามก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามตามสภาพไม่ได้เห็นว่ามันสวยเง่งงามตรงไหนสังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพของมัน แล้วมองเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง <Yeah. S 1> บุญเกิดจากความโลภโกรธหลงเป็นมูลเหตุเอยบาปนี mm ่ hmm. บาปนี่เกิดจากความโลภโกรธหลงเป็นมูลเหตุ mm hmm. อันบุคคลที่จะได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะอาศัยกิเลสสามกองนี่แหละเป็นมูลเหตุ mm hmm. อย่างนี้ ก็ต้องรู้นั่นแหละเมื่อรู้มูลเหตุของบาปแล้วเราก็พยายามขาจัดกิเลสสามกองนี้ออกทำให้จิตใจของผู้นั้ น, นไม่ตกไปในบาปอากุศลอันชั่วร้ายต่างๆให้สงบตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมีสติปัญญา จเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้